มายัางพันเตนวิสุงวิสุงลูกหลานชมลมพุทธที่หลวงพ่อมองเห็นมองเห็นดูลูกหลานเป็นคนหนุ่มจะเป็นกำลังต่อไปภายภาคหน้า ควจะได้รับการศึกษาในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรมหลวงพ่อเห็นแล้วก็มีความปิติยินดีกับลูกหลานที่มาสู่วัดของหลวงพ่อวันนี้เบื้องต้นก็ได้ไหว้พระต่อไปนี้ก็จะได้สมท า, านศิลป์หลวงพ่อจะอธิบายหรือว่ากล่าวเรื่องของศิลป์คุณค่าของศิลป์ ให้กับลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาให้ได้เรียนรู้ว่าศีลมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรที่พวกเรารับศีลไปตามวัดต่างๆหรือว่ามีาศาสนพิธีขึ้นมาในชุมชนกลุ่มใดพวกเราเนี่ยเป็น <c oughs> ชมรมพศก็ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลวงพ่อก็คงจะพวกเราก็คงจะเคยเห็นได้สัมผัสเวลามิมนมีาศาสนมพิธีมีการสวดมนต์หรือพวกเราไปวัดต่างๆในเมื่อเราอาราธนาศีลอย่างนี้ละอย่างเมื่อกล่าวเมื่ อ, อพูดกล่าวจบลงสักรู่นี้แห ล, ละนะพระสงฆ์ที่เป็นประธานสงฆ์อย่างหลวงพ่ อ, อท่านก็จะให้ศีลอา่า กล่าวนำสมาทานสินให้ลูกหลานได้รับสินแต่หลวงพ่อเองได้ทบทวนดูว่าน้อยมากที่ครูบาอาจารย์จะอธิบายเรื่องเรื่องสินคลุกลึกหรือคุณค่าของสินให้ผู้ที่สมาทานสินได้รับรูบ้รับทราบเพราะท่านก็พูดและกล่าวออกมาว่า ศีลเพียงห้าข้อแล้วก็รู้รู้กันอยู่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราก็เป็นที่รู้กันก็น่าจะพอแต่หลวงพ่อเองมาพิจนารณาดูใช่บางท่านก็เรียงลำดับไม่ถูกอกีก <c> เ <oughs> พราะพวกเราไม่ได้บวช เรียนหรือไม่ได้บวชในพุทธศาสนาเพราะพวกเราทำภาระธุระอย่างอื่นมากแต่ให้ความสนใจเรื่องนี้บ้างแต่จะให้เรียงลำดับให้เข้าใจอย่างที่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ข้างในที่เป็นพระสงฆ์ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากเพราะนั้นหลวงพ่อเอง มาพิจารณาถึงจุดนี้หลวงพ่อจึงก่อนที่จะให้สินในชุมชนลูกหลานกลุ่มใดที่หลวงพ่อไม่เคยไปในชุมชนกลุ่มนั้นหลวงพ่อจะแนะนำเรื่องของสินคุณค่าของสินประโยชน์ของสินมีอะไรเพราะหุ้ไม่ใช่ว่าคนโบราณหรคนเฒ่าคนแกเรียกว่าปุล ผู้ใหญ่เขารับมาลูกหลานก็รับไปเพราะว่าเขารับมาเราจะไปวิจารมากก็ไม่ได้กลัวบาปเขารับมาเราก็รับไปผลในสุดก็เลยคุณค่าของศีลก็เลยล่อยหลอหรือว่าไม่รู้จักคุณค่าก็เลยถือเป็นของสนุกหรือว่าเป็นของเล่นๆไปผลในสุดก็เลยจืดจางไม่รู้คุณค่าที่ศีลที่พระพุทธเจ้าหรือพระ สงสาวกของพระพุทธเจ้านำมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นหลวงพ่อเองมานึกถึงจุดนี้หลวงพ่ อ, อย่างลูกหลานขอสมาทานศีลในวันนี้แหละหลวงพ่อจะได้ใบเรื่องศีล ใ, ให้ฟังอย่างเบื้องต้นพวกเรากราบขอศีลเนี่ยมายัางพันเตวิสูงวิสูงรักนัดถายะติสารเนนัสหาน บางแห่งเขาวามะยังพันเตติสะระเสนจหปัญจศีลานิยาจามะแต่ทำไมขอศินห้าอย่างเดียวกันทำไมจึงมีการกล่าวเป็นสองขับเป็นสองอย่างเป็นสิลมสองมาตรฐานแลเป็นสินอย่างไรทำไมจึงได้พูดอย่างนั้นทำไมไม่พูดอย่างเดียวกันถ้าว่าเป็นผู้ชอบคิดชอบวิจารก็กคงจะ มีความอยากจะรู้ในจุดนั้นเหมือนกันแต่นี้เพราะว่าเป็นเรื่องของพระของเจ้าคนโบราณเขาก็บอกอ ย, อย่าไปวิจารณ์อย่าไปคิดเรื่องของพระของเจ้าท่านพูดยังไงก็จบไปกันล้วนแล้วจะเป็นสติเป็นมงคลทั้งนั้นแหละโดยมากเราก็เลยไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้คิดแต่ตามไม่จริงเป็นสองอย่างนะลูกหลานพวกเราท่านทั้งหลายควรจะรับรู้รับทราบไว้ ถึงจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างไรก็มีคุณค่าเรื่องของสินอย่างวิสุงวิสุงเนี่ยข้าพเจ้าไม่มั่นใจในการสมทานสินข้าพเจ้าอาจจะทำผิดรุ่งเกินหรือว่าสินขาดในห้าข้อข้อใดข้อหนึ่งในเมื่อรับไปแล้วไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นขอข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงขอรับสินเป็นวิสุงวิสุงทวขาดข้อหนึ่ง เรก็ยังอีกข้อสองข้อ3ามข้อสี่เราขาดข้อที่สองหรือว่าขาดขาดข้อที่ห้ายังก็ยังมีอยู่ข้อเออลงมาข้อสีข้อสข้อสข้อ1นึ่หรือว่าขาดข้อที่สองก็ยังมีข้ออื่นคล้ายๆว่าขาดข้อใดก็ขาดข้อนั้นอย่ว่าพิสูง์วิสูง์แต่ถ้าหากว่าเป็นติสระเนนัสะปัญจะเนี่ยข้าพเจ้าจะขอรวม สมาทานศีลทั้งหมดทั้งหข้อพร้อมกันถ้าหาวาขาดข้ออะไรข้อหนึ่งก็บเป่าขาดทั้งหมดแต่ว่ามันยังเหลือทั้งหลายก็ยังหมดอันนี้คือปัญจศีลคือสมาทานศีลรวมกันทั้งห้าข้อนี่แหละแต่ตามไม่จริงถ้ า, ห, าหลวงพ่อแนะนาหลวงพ่อบอกวควรเราตั้งใจสมาทานศีลทั้งทีมีเจตนารักษาคุณงามความดีทั้งที เราควรจะรักษาศินให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามสัจจะอไม่ใช่ทำทำขยึดขยักทําขยักขย่อนเวลาได้มาก็คงจะได้ขยักขย่อนไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยฮแต่ถ้าเราทําเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ได้เวลาได้ผลมาเราก็จะได้รับเต็มความรู้สึกโาเต็มความภาคภูมิของเราที่เราในรักษาศิน ทั้งห้าข้อนั้นอันนี้ก็คือการกล่าวอาราธนาศินจากนั้นอย่างทงพ่อเป็นประธานทงพ่อจะเป็นผู้พานําพานําสมาธินวันนะโมตัสสะปะคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะความแปลและความหมายนะโมนั้นก็ว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือพระพุทธเจ้าของเรามีพระองค์เดียว ขอนอบน้อมกล่าวถึงสามครั้งครั้งยืนยันนะั่สามครั้ ง, งว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทำไมจึงเรารับศินทำไมจึงกล่าวถึงพระพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าศินห้าที่เราจะรักษาเป็นศินของใครเป็นศินของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติสินห้าข้อสินทั้งห้าข พระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติเป็นผู้แนะนำเป็นผู้บอกกล่าวว่าคุณค่าของศีลมีประโยชน์อย่างไรจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราเพราะนั้นก่อนที่เราจะรับศีลเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนว่านะโมตัสสะซึ่งสามครั้งจากนั้นก็พุทธัง สารนางคัดฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นผู้หมดจดจากกิเลสมีแต่พระธรรมมีแต่พมีแต่พระคุณของพระพุทธเจ้าท่านตรัสออกมาก็คือพระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนก็คือศีลห้าทานศีลภาวนามีมากมาย 84,000 พันพระธรรมมขันธ อ, อันนี้ก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าเย่ว่าพุทธทางสาร า, นานคุขฉามิฆะไปเจ้าขอถึงพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสพระธรรมคําสอนออกมาพวกเราเห็นด้วยกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าจึงได้ น, นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติอย่างศีลห้าอย่างนี้เป็นต้นได้อย่างอื่นอีกมีมากมายที่พวกเรานํามาประพฤติปฏิบัติคือคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากจากนั้นเราก็ทมังสรารนางคัดฉามิคือถึงเราถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสาระเป็นที่พึ่ง เ, เราพิจารณาดูแล้วมีประโยชน์จริงทมคำสอนของพระพุทธเจ้าสังขังสรารนางคัตฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ถ้าว่าไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแพ่ให้กับพวกเราพวกเราก็คงไม่รู้เรื่องศีลธรรมจริยธรรมอันดีงามของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราจึงนอบยอมรับในพระสงฆ์สาวก ข, ของพระพุทธเจ้าอย่ว่าพุทธทังคือต้นาศาสนาต้นาศาสนาธรรมมังคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสังฆังก็คือพระสงฆ์สาวกที่นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามา บอกกล่าวยานกะตุติยามปีพุทธังข้าพเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สองพุทธังทำมังสังขังสรนาคัฉามิข้าพเจ้าขอยืนเป็นครั้งที่สองตาติยามปีพุทธังทำมังสังขังข้าพเจ้าขอยืนยันยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นจารณะเป็นที่พึ่งเป็นครั้งที่สามนี่แหละเรายืนยันถึงสามครั้งที่ว่าพุทธังทำมังสังขัง ที่เรารับพระไตรสรณคมเป็นสรระเป็นที่พึ่งจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศิลปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าจงงดเว้นในการฆ่าในการฆ่าถ้าว่าฆ่าคนอื่นเขาก็ไม่เป็นไรพวกเราเราฆ่าเขาแต่คนที่ถูกฆ่าที่เราฆ่าเขานะั่นเห็นไหม สื่อต่างๆพวกเราได้เห็นไหมใครฆ่าว่าเสีย อ, อกเสียใจที่ได้เห็นภาพพดที่ที่ถูกฆ่าเสียใจกันไม่ใช่ถ้าเป็นญาติพี่น้องญาติโกโหติกาหรือเป็นกลุ่มของเราเราก็เสียใจถ้าเป็นกลุ่มของคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นว่าท่านเป็นกลาง ท่านไม่ได้เข้าข้างไหนก็ไม่ได้เข้าข้างคนนู้นเข้าข้างนายกนายขอถึงนายกนายขอทะเลาะกันพระพุทธองค์ก็เป็นกลางเพราะเหตุไรเพราะนายกไปฆ่านายขอนายขอก็เสียใจท่านนายขอมาฆ่านายกนายกก็เสียใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าอย่าฆ่ากันให้มีเมตตาต่อกันทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้รักเมตตากันเอาไว้ไม่ถึงร้อยปีถ้าต่างคนก็ต่างตาย อย่าไปฆ่ากันอะจะไปเบียดเบียนกันถ้าพวกเราไม่เบียดเบียนกันต่างคนก็จังอยู่ในความสงบความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับนายกับนายขอแตถ้าว่านายกกับนายขอมีคิดมีแต่ความพยาบามอาฆาตจะจองจองเวรกันอยู่จะฆ่ากันอยู่เวรจะระงับไม่ได้ถ้าหากว่ามีการจองเวรเวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรไม่คิดฆ่ากันเพราะฉะนั้นการฆ่ากันไม่เป็นผลดีสําหรับชุมชนสังคมของพวกเรา เพราะพระพุทธเจ้าจึงมองเห็นแล้วว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีเพราะนั้นท่านจึงบัญญัติศิลข้อที่หนึ่งว่าอยากคิดฆ่ากันเพราะว่าเมื่อฆ่ากันแล้วเขาผู้ถูกฆ่าเสียใจยถ้าเขามาฆ่าเราเราก็เสียใจยเพราะฉะนั้นใจเขาจใจเราอันนี้คือศินข้อที่หนึ่งสินข้อที่สองอธินาทานาเวรมณีอย่าไปคิดขโมยคนอื่นเขาถ้าเราไปขโมยของเขา เขาก็เสียใจถ้าเขามาขโมยของเราเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันอย่างไปเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานวงศสักนายาตของเขาวัวควายของเขารถราของเขาไปเรียกค่าไถ่แล้วเอาไปขโมยไปเงินคำทรัพย์สมบัติของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาขโมยของเรา่เราดีใจไหมเขามาขโมยเราก็เสียใจเช่นเดียวกันไม่สบายใจเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธองค์มองเห็นแล้วว่าการขโมยกันไม่เป็นผลดี มีจะให้ความความเดือดร้อนมีตะให้ความทุกข์ต่อกันเพราะฉะนั้นจึงมันท่านจึงห้ามไม่ให้เอ อ, อย่าไปขโมยกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้คือศี่ข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุมิสาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกัน เพราะนั้นกฎประเพณีของโลกก็มีอยู่แล้วที่ปานการไปสู่ขอให้ถูกต้องตามประเพณีอันดีงามของโลกมนุษย์ก็มีอยู่เราก็ปฏิบัติตามนั้นให้ครบสิทธิ์สิ้นกันละกันอันนี้ก็คือศินข้อที่สข้อที่สมุสาวาทาเวรามณีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงเขาไปโกหกเขาเมื่อเขาเมื่อไปโกหกเขา เขาก็เสียใจถ้ามาเขามาโกหกเราเราก็เสียใจในเมื่อเร า, เ ร, ารู้ว่าเขามาโกหกเราถ้าว่าโกหกคำนี้มันเสียเงินเสียทองเสียมากมายต้มตุ๋นหลอกลวงมันมีมากทุกวันนี้บ้านเมืองเจริญเท่าไหร่ก็ยิ่งการหลอกลวงต้มตุ๋นก็ยิ่งมีมากในเมื่อมีมากถ้ามันเขาต้มตุน๋นเราก็เสียใจมากเหมือนกัน เพราะนั้นเราไปต้มเขาเขาก็เสียใจเขามาต้มเราเราก็เสียใจเขามาโกหกเราเราก็เสียใจเราไปโกหกเขาเขาก็เช่นเดียวกันกับเราสรุปแล้วก็คือเขาเราเขาเราอันนี้คือสินของพระพุทธเจ้าข้อที่หสุราเมระยะมชะปะมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราคัญชายาฟินเฮโรอีนเออเสพของมื่นเมา ดื่มของหมื่นเมาเข้าไปทำให้สมองของเราปั่นป่วนขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทำความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ประพฤติผิด ร, ร, ระลาบประหลัวในสามีภรรยาลูกหลานของใครของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะอะไรเพราะคนขาดสติเพราะฉะนั้นสินข้อที่หเป็นสินที่สมควรสํารวมระวังไม่ใช่ว่าเราจะดื่มจะเสพเข้าไปเป็นของสนุก ไม่ใช่พอดื่มเสพเข้าไปแล้วเมื่อขาดสติแล้วนั่นแหละความเสียหายเกิดขึ้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นในสื่อต่างๆเรื่องต่างๆที่พวกเราได้รับทราบแต่ละวีแต่ละวัดโดยมากมีแต่คนที่ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วขาดการยับยัง้งขาดการยั้งคิดอันนี้ควรไม่ควรอย่างไรเพราอรเพราะขาดสติ วันนั้นเราก็รู้แก่ใจว่าเมื่อดื่มเข้าไปเสพเข้าไปแล้วต้องขาดสติแล้วจะไปเสพทำไมดื่มทำไมทำไมอันนี้ก็ควรจะเบรกควรจะห้ามตนเองในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนี่แหละสินห้าของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเนี่สรุปแล้วก็คือเขาเราเขาเรา เมื่อเราไปทำให้กับเขาเขาเสียใจถ้าเขามาทาให้กับเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้พวกเรารู้เรื่องคุณค่าของสินแล้วข้าพเจ้าจะงดเว้นในการทำความชั่วข้าพเจ้าจะเป็นผู้หนึ่งจะเป็นผู้รักษาศีลห้านับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเห็นรู้คุณค่าของสินแล้วข้าพเจ้าจะงดเว้น โดยเด็ดขาดข้าพเจ้าจะเป็นคนดีใ น, ในที่ได้บังเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเมื่อเราได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีเหตุผลจริงเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะเป็นคนหนึ่งข้าพเจ้าจะเป็นผู้รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิตเนี่แหละหลวงพ่อว่าอยากจะให้พวกเราคณะสหายญาติโยมลูกหลานเมื่อเห็นคุณค่าของศีลแล้ว พวกเราควรจะรักษาสินให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแนะนำให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษ า, อาตอนนี่อไปเมื่อพวกเรารู้คุณค่าของสินแล้วหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสินนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีเลนะในภูติงยันติตัสมาสีหลังวิโสทเยเป็นไงชมลมพุทธอาราธนาธรรมได้ไหมแต่ไม่จริงพวกชมลมพุทธต้องฝึกซ้อมเอาไว้นะอาราธนาศิลปอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริษ แล้วก็เชิญเทวดาสมัญตาจักกวาเรสุเนี่ยพวกเราลูกหลานทั้งหลายให้ <c oughs> เรียนเอาไว้ให้พูดให้เสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันแล้วก่อนที่พวกเราจะไปสู่วัดเนี่ยพวกเราก็ควรจะไปนั่งพร้อมกันแล้วก็ทดลองทดสอบซะก่อนว่าอาราธนาศิล์แล้วก็อาราธนาธรรม แล้วก็อาราธนาพระปริรศรักษสมันตาอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเป็นชาวพุทธนะอาราธนาศินที่หลวงพ่อไปยกตัวอย่างหลวงพ่อไปที่อินโดนีเซียนปีหนึ่งเขานิมนต์ไปหลวงพ่อก็อไปเตาดูต่างประเทศบางสิเพื่อนบ้านของเราแต่หลวงพ่อไปก็ไปพักอยู่วัด สาขาของวัดบวรเป็นเจกคุณหลวงปู่วินที่เป็นลูกศิษย์เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์สินพระชนนี่ยนะแต่ท่านเคยมาที่วัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อก็เคยเห็นท่านจกคุณท่านจกคุณองค์นี้นะท่านก็ไปประกาศเผยแผ่ทางอินโดนีเซียจากนั้นท่านก็ได้ไปปลูกฝังอุปนิสัยของลูกหลานในการไหว้พระสวดมนต์สาธารณพิธี ท่านก็ได้ทำไว้นะหลวงพ่อไปเห็นพอไปถึงแล้วเขาเขาก็นิมนต์ไปไ ป, ไปหอประชุมใหญ่นะหอประชุมใหญ่คือมันหอประชุมสิริกิตอย่างนี้แหละโอ้ใหญ่มากนะลูกด่านนะแต่ก็ติดแอทั้งหลังอีกต่างหากหลวงพ่อก็เข้าไปเห็นโอ้คนนั่งเป็นระบบระเบียบดีมากเลยนั่งเป็นแถวแถวแถวคนเป็นหลายพันนะจากนั้นก็ เด็กเขาก็ไม่นั่นนะเด็กเขาก็อยู่ในนั่งนั่งคัดสมาธินั่งเงียบทุกคนนะเออหลวงพ่อเห็นเออเป็นระเบียบดีว่ะจากนั้นเขาก็ไหว้พระเออเขาไหว้พระได้ทุกคนวอ่อจากนั้นเขาก็อาราธนาศีลพร้อมกันอีกนะทุกคนเลยเอาราธนาศีลจากนั้นพออาราธนาศีลแล้วเขาอราธนาเทศอีกเออผู้ได้ จากนั้นขอราธนาพระประดิษฐ์วิปติปฏิภาหายะเขาก็พูดได้จากนั้นสมันตาเขาเชิญเทวดาก็าก็พูดพร้อมกันได้อีกหลวงพ่อโออันนี้มันเก่งกว่าเมืองไทยเสียแล้วนะเนี่ยเมืองไทยของเราเนี่ยถ้าขาดหัวหน้าคนเดียวเท่านะั้นมองหลกหลากหลกหลากหาหัวหน้าเลยเอออันนี้แค่ว่าเขาทําพูดพร้อมกันเ อ, อถึงหัวหน้าไม่มา ทุกคนก็พูดได้พร้อมกันนี่แหละแล้วก็สมันตาจักวาเรสุเนี่ยโดยมากก็เป็นพวกเราเห็นเห็นทั้งหลายก็พระสงฆ์พออาราธนาพระปริศจบลงแล้วพระสงฆ์ก็เป็นผู้กล่าวสมมันตาจักวาเรสุเชิญกายสิทธ์ทั้งหลายจักรวานเทพเจ้าเราจักรวาน ในเทพย ก, กวานให้มาร่วมฟังพระปริตะมงคลที่ประสงค์จะได้สวดพระปริตะมงคลมีภูมิมะลุคะเทวดาอินอนาครุษ เ, เทวดาอากาศเทวดาเทวดาชั้นต่างๆจนถึงชั้นพรมขอให้มาร่วมการฟังพระปริตะมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลของพวกเราอันนี้คือสมัญตา แต่ตามไม่จริงสมันตาหลวงพ่อบอกว่าใช่พโยมพูดไม่ได้พระก็เลยเป็นผู้พูดเองพอพูดเองเข้ามาก็เลยเป็นประเพณีแต่ตามไม่จริงเราเป็นเจ้าของของของงาน เ, เจ้าของของงานพระสงฆ์เป็นแขกเป็นผู้ได้รับเชิญได้รับนิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์เพราะนั้นพวกเราที่เป็นเจ้าของของงานะจะเป็นผู้เชิญแขก แขกมนุษย์แขกพระสงฆ์นิมนต์พระสงฆ์เชิดเชิญแขกที่เป็นมนุษย์เชิญแขกที่เป็นมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเป็นแขกกายยศิธิ์พวกภูมะลุกขะเทวดาในจักรวาลให้มาร่วมฟังพระปริตะมงคลน่าจะเป็นเจ้าของของงานเป็นผู้เชิญจึงจะถูกหลวงพ่อว่าหนาะ มันไม่ใช่ว่าจะให้แขกเชิญแขกพระเป็นแขกแล้วก็มาเชิญแขกอีกไม่น่าจะถูกต้องหลวงพ่อให้ความเห็นนะเพราะนั้นขอให้ลูกหลานชมลมพุทธทั้งหลายฟังฟังเอาไว้นะที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวนี่นะพอหลวงพ่อเองก็นี่ยนะเป็นแสดงความคิดเห็นให้กับลูกหลานใหไ้ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็พร้อมกัน เมื่ออาราธนาเสร็จ d บร้อยและพระสงฆ์ก็จะเป็นผู้กล่าวสมโภตานิยกราเรื่องราวต่างๆให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนี่แหละท่านไ้พระสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์นี่แหละหลวงพ่อว่าพวกชมลมพุทธของเราในเมื่อมาพร้อมกันกลุ่มกันแล้วกันนะพิมพ์เป็นหนังสือออกมากระจกให้ทุกคนพูดเป็นเสียงทานอง ให้เขาสารพัญญาให้เข้ากันได้ต่อไปภายภาคหน้าเราไปนสถานที่ใดจะเป็นกลุ่มมากกลุ่มน้อยเราก็พร้อมที่จะอาราธนาศีลอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริศและก็เชิญเทวดาชุมนุมเทวดาได้หลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์สาหรับชมรมกลุ่มของพวกเรานะอันนี้หลวงพ่อให้ความคิดเห็นนะ เอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวแล้วที่นี่นะลูกหลานทั้งหลายตั้งใจฟังที่นี่นะวันนี้นับว่าวันนี้เป็นวันที่เจ็ดเย็นวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์พุธศักราชสองอบแวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งพวกคณะลูกหลานชมรมพุทธศาสตร์และจริยธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพท ย, ยศาสตร์พร้อมกับกลุ่มต่างๆคือเป็นชมรมพุทธชมรมพุทธเราไม่ได้จำกัดว่าเป็นแพทย์หรือเป็นเพสัตชหรือว่าเป็นสาขาไหนที่พวกเราจะเข้ามาร่วมรวมกันเพื่อให้เป็นชมรมเป็นกลุ่มใหญ่แต่วันนี้ก็ทราบว่าที่มาร่วม ขาวนี้ก็ที่นัดหลวงพ่อมาว่าประมาณ70สคนแต่จะขาดเ ห, หลือยังไงหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ถามในรายละเอียดนะแต่วันนี้ได้ทำคณะของเราได้ทำเป็นธรรมสัญจรตามที่ได้กะเกณกันเอาไว้ตามที่ชมลมได้กะกันเอาไว้ ปีนี้ทำมาเป็นปีที่สามแล้วก็จะไปตามวัดต่างๆในแนวแถวสายหลวงปู่มั่นอันนี้ก็ที่ความตั้งใจของชมรมในชมรมของพวกเราเนี่ยจะไปตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นและคณะนักศึกษาที่ผ่านที่ ผ, ผ่านมาก็ได้ประโยชน์ มากพอสมควรตามที่ประธานหรือคณะผู้จัดดำเนินการประธานกลุ่มได้ติดตามผลงานที่ทามาที่สปีสองปีที่ผ่านมาครั้งนี้ก็คณะก็ได้มาที่วัดของหลวงพ่อวัดป่านาคําน้อยอเาเภอนายงอุดรแล้วหลวงพ่อก็ได้ให้คณะ ลูกหลานทั้งหลายไหว้พระเสร็จแล้วก็ได้หลวงพ่อจะเป็นได้เป็นผู้พานําสมาฐานศินก่อนที่หลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาฐานศิลหลวงพ่อก็ได้แนะนําคุณค่าของศิลประโยชน์ของศินให้กับลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาเป็นเบื้องต้นอ่ายงเมื่อเสร็จแล้วลูกหลานก็ได้กราบปรารถนาให้หลวงพ่อเป็นผู้ แสดงธรรมหรือว่ากล่าวสมโธธนิยกถาให้กับลูกหลานเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้มเมื่อพวกเราเข้ามาสู่วัดวา ศ, าศาสนาอย่างที่วันนี้ละเพราะนั้นหลวงพ่อต่อนนี้ไปหลวงพ่อก็จะได้กล่าวเรื่องราวให้คณะทายาโยมลูกหลานได้ศึกษาได้เรียนรู้เพราะว่าหลวงพ่อเนี่ย เ, ออเข้ามาอยู่ในพระพุทธ ศ, ศาสนา ได้ศึกษาได้มีประสบาการณ์อย่างไรได้ศึกษาอย่างไรพอหลวงพ่อเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อไม่ใช่อวดไม่ใช่อ้วกอวดไม่ใช่คุยพูดตามความเป็นจริงให้ฟังพ่อหลวงพ่อเนี่ยบวชมาในพระพุทธศาสนาหลวงตั้งแต่อายุ11อย่าง12ปอปีบวชปี 2,500 นะลูกหลาน จากนั้นมาบวชเป็นสัมเาณีมา8ปีจากนั้นก็ได้บวชเป็นอุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนาปีศูนย์ในเมื่ออุปสมบทแล้วนะตั้งแต่ปีศ8นย์จนถึงปีนี้ปีห้าดในเมื่อปีห้าก็เป็นอันว่าชีวิตของชีวิตพระของหลวงพ่อเนะี่ยห้าสิปีบวชมาฝังไว้ใน พ, พุทธศาสนา5้าสิปีแล้วก็เป็นสัมมเณตอีก8ปดรวมแล้วก็ห้าสิบแปปีเพราะนั้น ใน58บปีของหลวงพ่อตั้งแต่เป็นสา ม, มนเณรจนเป็นพระถึงขนาดนี้แหละหลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็ได้บางทีก็เย็บหยิบยกเรื่องหนึ่งมาพูดมาแสดงมาพูดมาแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมาบางครั้งก็ยก เรื่อง่งขึ้นมาชี้ให้ดูบางทีก็ยกเรื่องนี้มาให้ดูให้ฟังมีหลายแนวที่หลวงพ่อได้แสดงธรรมให้เป็นแนวทางสำหรับคณะสัายาติโยมลูกหลานถ้าเป็นเอมพสขณะนี้ก็ทั้งหมดมีอยู่หมีทั้ง0กกว่าแผ่นที่หลวงพ่อพูดไว้แต่ไม่ได้อัดอีกต่างหากขันชนะคณะสัตายาธิโยมเข้ามาเกี่ยวข้องหลวงพ่อก็แนะนำ แต่ละกลุ่มแต่ละคณะอีกต่างหากแต่ละอัดเต่ที่ได้อาดไว้ในก่อนเออกกว่าแผ่นก็มากพอสมควรในการแสดงความคิดความเห็นให้กับคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเพื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษาหลวงพ่อบอกเลยว่าเออพูดพวกเราจะเฉลียวฉลาดจะรู้ในเรื่องต่างๆได้ในหลักธรรมคำสอนที่ท่าน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 จากนั้นท่านก็นเน้นเป็นพระบาลีว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข่ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องอะไรสมควรแล้วนํามาประพุทธปฏิบัติได้ผลมากน้อยแค่ไหนอีกต่างหากไม่ใช่ฟังแล้วก็จบไปรู้จักคุณค่า ในการแนะนําถูกต้องไหมอันนี้ว่าจิตตามมยะปัญญาให้ควรตามแล้วก็ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของเราผ่านความสงบแล้วนําจิตใจใจที่ผ่านความสงบนะั้นมาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลก็จะรู้แจ้งเห็นจริงสามารถที่จะตัดความรู้สึกนึกคิดที่พวกเรายัง ภาวะประวนอย่างสงสัยอยู่ได้โดยเด็ดขาดเพราะเรามั่นใจว่าจิตใจของเราผ่านความสงบเมื่อเมื่อจิตใจนิ่งแล้วก็ น, นํามาพิจารณาในเรื่องนั้นๆในเมื่อพิจารณาแล้วเราก็รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็สามารถตัดสินใจได้โดยเด็ดขาดนี่ยอันนี้ว่าภาวนาเมายปัญญาเพราะนั้นผู้ที่จะเรียนรู้หรือจะเฉลียวฉลาดหรือจะรู้เรื่องต่างๆได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง สรุป ล, ลงแล้วนะถ้าคนที่ไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังจะเฉลียวฉลาดขึ้นมานั้นไม่มีไม่มีไม่มีมมทางเพราะนั้นก่อนที่เราจะเดินเราควรที่เราจะปฏิบัติหน้าที่การงานเหมือนกับเราเป็นหมอเราก็ต้องเรียนหมอซะก่อนในเมื่อเราเรียนหมอรู้เรื่องของหมอแล้วเราจึงเป็นหมอได้เรื่องต่างๆก็เหมือนกันเราต้องเรียนเรื่องกฎหมายซะก่อนเมื่อเรียอกฎหมายเมื่อรู้กฎหมายแล้วเราก็นํากฎหมายปามาปฏิบัติ อันนี้ก็เหมือนกันที่เราจะเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนอะไรสอนเรื่องอะไรจุดหมายจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนาจุดสูงสุดของพุทธศาสนานั้นจุดหมายของท่านนั้นคืออะไรสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วเราจะรู้ได้ว่าจุดหมายปลายทางของพระพุท ธ, ธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้น ท่านมีมีจุดประสงค์อะไรนี่แหละอันนี้ครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวหลวงพ่อได้ประสบการณ์มาอย่างไรได้เรียนรู้มาอย่างไรได้มาได้ศึกษามาในพระไตรปิฎกอย่างไรได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างไรหลวงพ่อจะได้นํามาบอกกล่าวให้กับลูกหลานได้ศึกษาได้เรียนรู้บางประเด็นนะ แต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองก็เห็นคณะแพทย์คณะลูกหลานทั้งหลายที่เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยของแกลนแก่นเห็นแล้วก็ยังเป็นเด็กหนุ่มเป็นทรัพยากรของชาติศาสนาเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับลูกกับหลานทุกคนนะเรื่องพุทธศาสนาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดแต่สําหรับหลวงพ่อเองก็อายุมากแล้ว อายุถึง70ประปีนีลูกหลานจะอยู่กับลูกหลานนานไปสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะนั้นขอให้ลูกหลานอยู่ในหลักเหตุผลศึกษามีหูมีสองข้างตามีสองข้างให้สังเกตให้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าไปปักใจเชื่อทีเดียวอย่าไปปฏเิเสธทีเดียวเพราะว่าพวกเราทุกวันนี้มีสื่อต่างๆสื่ออิเล็กทรอนิกส์เครื่องวิทยุโทรทรัศน์เ c e b o o k อินเทอร์เนต็ตอะไรมากมายมหาศาลที่จะทำให้พวกเราคุยเคลในการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นการได้ยินได้ฟังสิ่งไหนก็ตามต้องนำมาพิจารณาแล้วก็นำมา เ, เปรียบเทียบกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเข้ากันได้ไหมให้พวกเราให้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจว่าลักษณะตัดสินธรรมวินัย8ประการ นางพระนางโคตมีกราบทูนพระพุทธเจ้าสมัยนั้นพระองค์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าค่ะเออต่อไปภายภาคหน้านี่คนทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเอออันไหนคือจุดยืนอันไหนคือความถูกต้องเออในหลักธรรมพระพุทธองค์ก็บอกว่านี่แหละโคตมี เราจะให้เป็นลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปดประการให้พวกเราศึกษาดูนะหยุดในนวโกวาทนั่นแหละหลวงพ่อจะไม่อธิบายในจุดนี้เพราะมีอยู่ในตํารายอยู่แล้วนะเนี่ยแหละอันนี้ก็คือคนทั้งหลายในยุคสมัยนั้นเขาก็คิดไว้แล้วนี้ก็เหมือนกันพอมาถึงยุคสมัยของพวกเราท่านทั้งหลายให้พวกเราลูกหลานทั้งหลายให้ฟังให้ศึกษาตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิต ว่าอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเราฟังเอื่อที่เขาท่าก็ไปเชื่อทีเดียวแต่มันขัดต่อหลักธรรมวินยัยหลักขัดต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าอันนี้ก็ฝากไว้กับลูกหลานทุกคนแล้วก็พร้อมกันอย่างที่ลูกหลานได้มีแนวความคิดว่ า, าให้พวกเราจะเดินตามแนวแถวาสายหลวงปู่มั่น ที่หลวงปู่มั่นท่านาพ่อแม่ครูบาจารย์สายนี้ท่านเดินอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรจุดนี้หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหลานเหลนก็อยู่ในแถวที่หลวงพ่อได้บอกว่าได้ฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศ า, าสนาเป็นเวลา58ปีเนี่ยคอยฝังอยู่ในสายนี้หลวงพ่อเองไม่ได้เรียนปริญญาคล้ายๆผมไม่ได้เป็นมหาปริญญาหรือว่านักธรรมตรีโทเอกมาศึกษามา กับสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะว่าตรงหรือว่าใช่ก็ตรงที่ได้ศึกษามาก่อนที่จะออกมาจากครูบาอาจารย์ที่สายนี้ก็เป็นเวลาถึง20กว่าปียี่สิบกว่าปีจึงจะออกได้ออกมาจากครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้ศึกษาหลวงพ่อว่าที่พวกเราเรียนได้ศึกษาจนถึงท่านคันด็อกเตอร์หลวงพ่อว่าคงจะ ไม่แพ้หลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่แพ้พวกเขาเหล่านั้นเหมือนกันแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ยังศึกษาอยู่เรื่อยๆในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตย า, าญาติโยมลูกหลานทุกคนที่หลวงพ่อได้บรรยายกล่าวให้ฟังนี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่ว่าความเป็นมาหรือของหลวงพ่อหลวงพ่อได้ศึกษามาอย่างไรพวกลูกหลานอาจจะสงสัยเพราะนั้นหลวงพ่อก็ยังได้กล่าว พูดให้กับลูกหลานได้ฟังเพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาแต่หลวงพ่อเองเออก็ที่ที่จะพูดตามแนวแถวหลวงปู่มั่นทีเดียวหลวงพ่อก็อยากจะให้พวกลูกหลานทั้งหลายสงสัยอีกเหมือนกันเอ๊ะแค่หลวงปู่มั่นท่านพูดเนี่ยมันถูกตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่ากระจกเงาคือแผ่นใหญ่แผ่นนั้นนะ่ะกับแผ่นนี้นะ่ะเข้ากันได้หรือเปล่าหรือว่าขัดกันอย่างไร ฮะมันถูกตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไหมที่สายหลวงปู่มั่นพาปฏิบัติเนี่ยอันนี้ลูกหลานทั้งหลายก็คงจะเอะถ้าผู้ไม่ได้รับการศึกษาก็คงจะเอออยู่ในใจคืออาจจะแครงใจเพราะนั้นหลวงพ่อเองก่อนที่จะพูดถึงกล่าวถึงหลวงปู่มั่นหลวงพ่อจะพูดถึงพุทธะก่อนเกือบทุกครั้งคือให้เป็นกระจกเงาเป็นแผ่นใหญ่ซะก่อน เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสนาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นต้นเรื่องราวหลวงปู่มั่นก็ได้ศึกษาแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นแนวแถวของพระพุทธเจ้าพ่อพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังพระพุทธเจ้าประสิทธิพานมาได้ตั้ง2550ันหอยปีแต่พวกเรานะแต่หลวงปู่มั่นก็คงไม่ถึงหลวงปู่มั่นท่านจุตินิรพานไปกับว่าเป็นปีที่หกสห้า ปีนี้นะที่หลวงปู่มั่นที่ท่านอายุถึงแ80ดิปีพอแปดสิปีแล้วกิท่านกมรมละนภาพในแ80ดสิปีอายุของท่านแล้วจากนั้นมากัปีนี้ก็เป็นปีที่หกสิบห้าทำไมหลงพ่อจึงได้รู้ได้ทราบกับพ่อว่าเขาในมลหลวงพ่อไปแสดงธรรมที่วัดป่าสุทธาวาสปีนี้เมื่อวันที่เดือนกุมภาที่ผ่านมาเป็นงานเป็นวันครบรอบ วันประชุมเพลิงหลวงปู่มั่นแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปปีนี้หลวงพ่อสุขภาพไม่ค่อยดีหลวงพ่อก็เลยขอยกเว้นเพราะว่ามันตรงกับงานของหลวงตาอีกหลวงตาวันที่29เาขาในมูลหลวงพ่อ29 30เป็นวันมาประชุมเพลิงหลวงปู่มั่นหกปีแต่วันหลวงตาเป็นวันมรณะภาพของหลวงตาวันที่30มกราหลวงพ่อก็จะ เป็นได้ไปงานศพขององค์หลวงตาเพราะฉะนั้นพวกเราที่สุดท้ายภายหลังอย่างที่หลว ง, งพ่อได้พูดได้กล่าวแต่ถึงยังไงพวกเราก็จะต้องฟังพุทธประวัติประถมะสมโพธิที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสได้วางเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้พระพุทธองค์ทําอย่างไรนี่พระพุทองค์เมื่อท่านไปสูตร ที่กรุงกบินลพัดสรุปแล้วคือพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่เทวบุตรไม่ใช่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ที่มองไปเห็นแต่ไม่ได้ต้องไม่ได้ไม่ใช่พระองค์เป็นกษัตริย์ลูกของพระเจา้าสุโทธทนะพระบิดาของพระพุทธเจ้าของเราคือพระเจา้าสุโทธทนะแม่ของพระพุทธเจ้าของเราคือสิริมหามายาพระพองค์เป็น ลูกคนหัวปีเออเมื่อพระองค์ได้ลงมา ม, มาเกิดในขันพระมารดาจากนั้นพระองค์ก็ได้ประสูติพระมารดาเจ็ดวันพระมารดาก็สวรรคตคือตายจากนั้นพระแม่เลี้ยงนางนมทั้งหลายก็ได้มาดูแลพระพุทธเจ้ า, าคือสิทธัตถะไม่จังยังไม่เป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นสิทธัตถะยังเป็นหนม่ม เป็นเด็กน้อยสิท ธ, ธาแต่ว่าสิท ธ, ธาเนี่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นบุคคลที่เป็นพิเศษถึงพอพระมารดาสวรรคตไปแล้วนะพระมารดาก็พระบิดาก็ดูแลอย่างดีที่สุดจากนั้นท่านก็ให้พวกพราหมณ์สมัยนะั้นเขาก็เนี่ยพรามหมโหฬาศาสตร์ทั้งหลายที่อยู่ในเมือง ทุกเมืองเขาจะต้องมีพวกพรามหมณ์โหราศาสตร์ผอกดูดงดูดวงดูดาวาในท้องฟ้ า, าแล้วก็มาทํานายว่าจะเป็นยังไงแต่พวกพราหมณ์ทั้งหลายเขาก็ทํานายว่าสิท ธ, ธิฐานเนี่ยถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาใหญ่ในโลกาศาสนาหนึ่งแต่หากว่าครองราชก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรด เอออันนี้คือพราหมเา์เขาทํานัทเขาทํานายแต่โกนธัญญาพามที่เข้าไปทํานายท่านยกนิ้วเดียวบอกว่าพระพุทธเจ้าในศิลปฐานเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่อันนี้คือโกนธัญญาพามที่เป็นพระสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้าถูกโกนธัญญาวปาพัทยะมหานามาอจเชชเนี่ยเนี่สรุปแล้วคือหลวงพ่อพูดให้ฟังยกประเด็นให้ฟังนี่คือพระพุทธเจ้าไม่ใช่เทวดา ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินลูกของพระเจ้าแผ่นดินในเมื่อพระองค์เมื่อครบเมื่อใหญ่ขึ้นมาพระบิดาก็ประครบประงมอย่างดีเยี่ยมเพื่ออยากจะให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของราชสมบัติเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิแต่เมื่อพระองค์ได้อายุได้สิบหพระพรรษาก็ได้เข้ามองคลสมรสกับนางพิมพ์พายะโสธรานี่คือเป็นมีเป็นอคคมหิสีอ่า พุท ธ, ธคือศิรธธรจากนั้นพระ อ, องค์ก็ครองราชมาจนถึงอายุ29เปีพระนางพิมพายะโสธราก็ทรงคันคันแก่คือมีท้องตอนนั้นมาก็นางก็ได้ประสูตรลูกชายคือพระราหุลนี่แหละในวันประสูตร พระราหูนั่นแหละสิทธัตถะเนี่ยก่อนหน้านี้ท่านก็ใจของพระองค์หนึ่งมองดูพระองค์ไม่อยู่คล้ายๆกับ เ, เมื่อพระบิดาเห็นว่าสิทธัตถะเนี่ยครองราชมาหลายปีแล้วก็พัญญาคือนางพิมพายโสธราหนึ่งท้องใหญ่แล้วพร้อมที่จะมีลูกแล้วการดูแล อประครบประหมษิทธฐานเนี่ยพระบิดาคือพระเจ้าจุดโทธนะเนี่ยครวางวางใจว่าคงจะติดแ ล, ะละ้ล่ะคงไม่ไปไหนละทีนี่เพราะว่าการบริหารจัดการก็เป็นไปได้ดีอันนี้คือพระเจ้าจุดโทธนะมองศิษฐฐานที่เป็นลูกชายแต่สําหรับลูกชายศิษฐฐานไม่เป็นอย่างที่พระเจ้าจุดโทธนาวางแผนเอาไว้ศิษฐฐานในเขต คุ้นคิดวันหนึ่งก็ได้เสด็จไปจะไปสมสวนอุทยานตามปกติในเมืองใหญ่ๆเขาจะมีที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นป่าสวนเป็นที่พักผ่อนของพระราชาอันี้สิทธิฐานนี่ก็จะไปพักผ่อนในสวนอุทยานพอเดินไปว่าพอนั่งราชรถไปก็ไปเห็นคนแก่เนี่ย เพราะไปเห็นคนแก่เข้ามาผมขาวหลังคอมฟันหลุดใส่สักไม้เท้าค้ำยันไปที่ทาถามว่าไอ้อันนี้เป็นอะไรแต่ก่อนทำไมไม่เคยเห็นเพราะพระเจ้าจุโทธทนะนี่ท่านาทุกวันนี้ก็คงจะลักษณนะเอาทาหารกั้นไม่ให้คน เ, เพ่นพลานสิทธิ์ที่มันไม่เจริญหูเจริญตาทั้งหลายนะ่ย จะเดิญใจทั้งหลายไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องก็คงจะลักษณะกั้นกล้วยกั้นตนกล้วยตนอ้อยกลางสลันไม่ให้คนเข้ามาลักษณะอย่างนั้นแต่บัดนี้พระเจ้าจุดโทธนะเห็นว่าศิทธิ์ฐานี่คงจะติดในโลกละ่ะท่านก็วางวางมือเพราะนั้นธรรมชาติทั้งหลายก็คงจะเข้ามาให้เห็นเพราะนั้นศิท ธ, ธิ์ฐาท่านเสด็จไปท่านก็เห็นคนแก่แต่ก่อนไม่เคยเห็นเลย ตกรานเขากั้นไม่ให้เข้ามาแต่วันนี้เห็นคนแก่เอ๊ะอันนี้เป็นอะไรนี่ถามนายชนะที่เป็นนายสาร ถ, ถีที่นั่งรถม้าไปนายสารธีบอกว่าอันนี้คนแก่พระเจ้าค่ะาทําทไมจึงแก่ท่านพระองค์จะไม่รู้นะว่าคนแก่คืออะไรเพราะไม่เคยเห็นโอ้ยทุกคนก็ต้องแก่นะเอถ้าไม่ตายง่ายก็ต้องแก่อย่างนี้นะฮะ เ, เราจะแก่ไหอแก่เหมือนกันพระเจ้าค่ะถ้าพระองค์ไม่ ถ้สวรรคตก็ไม่ชิ่นพระชนง่ายก็นนะ่นั้นตายไม่ตายง่ายก็นนะ่นั้นแก่อย่างนี้เราไปเจ้าเขาจะหาความสุขได้ยังไงถ้าแก่อย่างนี้เนะี่ยมันหาความสุขมันเนะ่ยมันไม่เหมือนคนเลยเนะี่ยนี่แหละอันนี้คือคือสิท ธ, ธะท่านเห็นครั้งแรกนะอจากน้องก็เห็นคนเจ็บจากนั้นก็เห็นคนตายนะจากนั้นก็เห็นสมณะสมณะคือนักพจนนักบวชพอไปเห็นครั้งสุดท้าย แต่เห็นแต่ละครั้งในะท่านเสด็จกลับเบียงหวังทั้งนั้นนะเมื่อไปเห็นคนแก่ท่านก็เสด็จกลับหวังไม่ไปไม่ไปสวนเลยนะโอ้เกิดความสลดใจจะหาความสุขได้อย่างไรไถ้ามนุษย์เป็นอย่างนี้ต่อมาอีกวพอหลายๆวันอีกสเสด็จอีกไปเห็นคนเจ็บตื่นชักตื่นชักงอออีกท่านก็เห็นโอ้ไม่ได้กลับวัดกลับบ้านกลับเพียงหวังพอไปครั้งที่สามไปเห็นคนตายไปเห็นคนตายโอ้ไม่ได้กลับเบียงหวัง พอต่อมาไปเห็นสมณะนั่งรถไปไปเห็นสมณะอยู่ที่โครนต้นไม้อยู่ในร่มต้นไม้ต้นหนึ่งนั่งตามลำพังคัดสมาธินิ่งท่านมองเห็นเอออันนี้ถ้าเราได้ออกมาอยู่อย่างสมณะท่านนี้นะ่อยู่ตามลำพังไม่เกี่ยวข้องไปเกี่ยวแวะกับเรื่องต่างๆไม่ได้บริหารจัดการ เกี่ยวกับคู่คนมานั่งอยู่ตามลำพังเราคงจะคิดหาช่องทางหาวิธีการที่จะพ้นทุกหรือว่าหาต้องการที่เราสิ่งที่เราจะต้องการที่เราอยากจะรู้นะ่ะคงจะรู้ได้แต่ถ้าเราอยู่ในเวียงวงังโอ้หาโอกาสอย่างนั้นใดยากเพราะมีเรื่องอะไรต้องมีอะไรเรื่องจัดการงานรับผิดชอบทุกอย่างนะิทธิธาตานมองเห็นนะจากนั้นท่านก็กลับมา กลับมาก็ทราบว่าพิมพายโสทราประสูตรราหุนท่านโอ้ถ้าเราอยู่ต่อไปภาระคงจะเกิดกับเราราหุณะราหุณะเครื่องผูกพันคงจะเกิดกับเราเพราะนั้นเราควรจะออกไปจากเวียงวังไปคิดอย่างที่เราต้องการอย่างที่เราปรารถนานั่นแหละจากนั้นพระองค์ก็ได้ตัดสินพระไทยอย่างเด็ดเดี่ยวเด็ด ขาดท่านก็เลยหนีออกไปกลางกลางคืนกับนายฉันนั่งม้าขันตะกะวิ่งออกไปไปกอกจากกรุงกบิลพัฒน์ไปถึงเขตแขวงกรุงราชจะคือเขาบอกว่าห่างไกลาจากากรุงกบิลพัสน์ประมาณ200กว่ากิโลถ้าจะเปรียบเทียบกับคงจะเหมือนกันนาคำน้อยไปถึงขอนแก่นนะลูกหลาน ห่างไกลเพราะจากนี้ไปอุดรก็ร้อยี่สิบนะจากอุดจากอุดรไปถึงขอนแก่นก็ร้อยยี่สิบก็คงจะประมาณนี่แหละเออม้าตอนะะนั้นก็คงจะวิ่งเอพอสมควรจากนั้นพระองค์ก็ได้ไปบวชปะหนวดจงปนวดอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําอโนมาณทีเมื่อบวชเสร็จแล้วนท่านก็อยู่ตามลําพังข่าวนั้นปัญจวัคคีทังห้าอยังไม่ได้เข้าไป ท่านก็อยู่ตามลําพังท่านก็ทดลองอฉันอาหารยังไงอดยังไงอดนอนยังไงผ่อนอาหารยังไงผลที่สุดอดพักกายอาหารถึงสี่สิบเก้าวันสี่สิบเก้าวันจนร่างกายผอมอผอมมากๆแต่พระองค์บอกไม่ใช่ทางอทดลองดนแล้วไม่ใช่ทางกลับมาฉันพระทหารเอกนะนี่แหละสรุปแล้วคือพระองค์บําเพ็ญอยู่ อยู่ในป่าถึงหปีนะก่อนที่จะได้ไดตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่วันที่ท่านได้ตัดรู้นั้นท่านทําอย่างไรทีนี้หลวงพ่อจะพูดแบบรวบลัดนะพระ อ, องค์นั่งคัดสมาธาิแต่ถึงยังไงก็ตามหลวงพ่อจึงเน้นเรื่องพิธีกรรมพิธีการให้พวกเราท่านทั้งหลายได้มองดูภาพพจน์ว่าในช่วงนั้นพระ อ, องค์ทําอย่างไร ในวันเดือนหกเพ็นนั้นนายโสติยะได้ไปเกี่ยวหญ้าในละแวกนั้นคนในกลุ่มนั้นะคนอยู่ในในหมู่บ้านนั้นนะไปเกี่ยวหญ้าแล้วก็หาบหญ้าคาผ่านมาที่โคลนต้นโพที่สิทธัตถะนั่งอยู่ตามลําพังจากนั้นนายโสติยะเห็นสิทธัตถะนั่งอยู่ตามลําพังเอ้คงจะไม่นั่งไม่สบายคนเห็นกันเกิดศรัทธาขึ้นมา เราควรจะมอบย่าขาให้กับสิทธาเป็นที่นั่งที่รองนั่งจากนั้นนายสิทนายโสธิยะ ก, ก็ได้นำย่าขาแปดกำมือเข้าไปมอบให้กับสิทธาท่านพอสิทธาเมื่อได้ย่าขาแปดกำมือท่านก็มองหาทำเลที่นั่งท่านก็มองไปหาที่เลรทำเลที่นั่งได้ทางทิศตะวันออกของต้นโพ เ, เมื่อได้ทิศตะวันออกของต้นโพแล้วท่านก็เกลี่ย ยากาแปดกำมือคงจะประสานหัวประสานหัวท้ายประสานหัวสารหางหเสร็จแล้วท่านก็ขึ้นไปนั่งพอนั่งในช่วงนั้นท่านก็บอกชัดเจนว่าพระอาทิต ย, ตตาาาตย์ยังไม่ตกดินแต่พาเป็นภาษาบาลีเขาบอกพระอาทิตย์ยังไม่อัจดงยังไม่ตกดินยังคล้าๆว่าพระอาทิตย์ยังเหนือยังมีอยู่ยังแสงสว่างยังมีอยู่ จากนั้นพระองค์ขึ้นไปนั่งบนญาคาหันพระพักไปทางทิศตะวันออกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกพอหันหน้าที่เอาขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นเอามือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงเนี่ยฟังเอานะลูกหลานอันนี้คือวิธีการนั่งสมาธิของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านนั่นั่งสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้ทํากายให้ตรงแล้ว ท่านกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นคือเมื่อหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าและหายใจออกก่อนที่พระองค์จะนั่งขัดสมาธิในพุทธประวัติท่านได้กล่าวถึงสมัยเมื่อพระองค์ ยังเป็นกุ ม, มารไปแลกนาขวัญกับพระบิดาที่กรุงก บ, บิลพัทจะหมัยเป็นเด็กหนุ่มอายุคงจะสามสีขวบกระมังแต่ท่านก็นไม่ได้พูดในรายละเอียดในจุดนั้นแต่เมื่อพระองค์ไปแลกนาขวัญก็คงจะตื่นแต่เช้าพวกผีเลี้ยงนางนมก็คงจะเ อ, อเอานำไปสิทธะไปจากนั้นพระเจ้าจุดโธธนะ ก็ลงไปแลกนาขวัญก็คงจะไปไถนาจริงๆอ่ะจะได้พวกสนมกํานันทั้งหลายมี่พี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายก็เฮโลกันไปดูการแลกนาขวัญของพระเจ้าสุโทโธทนาะก็ปล่อยให้สิทธะนอนอยู่ตามลาพังฮะนอนอยู่ตามลาพังไม่มีใครดูแลไม่ใครไม่มีใครเฝ้านะนอนอยู่โครนต้นว่าร่มต้นว่าแต่นี้เมื่อสิทธะ ตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นไม่มีใครอยู่ในละแวกนั้นสิท ธ, าธัากุลุกขึ้นมากันัน่งขัดสมาธิพอนั่งสมาธิแล้วท่านท่านกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกใจของพระองค์รวมสงบดิ่งอพอรวมสงบดิ่งจากนั้นพวกพี่เลี้ยงนางนมไปชม ที่พระเจ้าสุดโทธนะแลกนาขวัญแล้วเออพระลูกเจ้าอยู่กับใครเนี่ยที่ไหนได้กลับมามาเห็นแต่พระลูกเจ้านั่งคัดสมาธิอยู่ตามลาพัง เ, เมื่อพี่เลี้ยงนางนมมาแล้วท่านก็ออกจากสมาธิแต่พระทัยใจของพระองค์นน่งสงบมีความสุขแต่พระสิทธะทำไมจึงทำได้อันนี้พวกเราให้ระลึกถึงว่า ในชาติอดีตชาติของพระ อ, องค์พระ อ, องค์เคยเป็นลือศีสีพรยมาก่อนเคยทำสมาธิอย่างนี้มาก่อนไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติเพราะนั้นอุปาเนสัยของพระ อ, องค์นะรู้ติดจิตใต้สำนึกของพระ อ, องค์นะรู้แก่ใจจากนั้นพระ อ, องค์ก็นั่งสมาธิจิตใจสงบจากนั้นก็ออกจากคาความสงบก็ไม่ได้ทำอะไรต่อไม่กระยุดในการทาสมาธิ จนถึงคราวนี้พระ อ, องค์จะได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสั ม, มโพธิญาณที่โคนต้นโพทั้งบอกเออเรื่องราวของเราเนี่ยที่เราได้ตัดสรุ้ที่เราได้ที่เราได้จิตสงบในโคนต้นว่าที่ไปแลกนาขวัญกับพระบิดาอันนั้นกำลังเป็นหนทางนะท่านนึกย้อนหลังนะเด็กนี่นี่แหละท่านนึกย้อนหลังว่าอันนั้นกำลังจะเป็นหนทาง พรในช่วงนั้นจิตใจเข้าสู่ความสงบจากนั้นพระองค์จะได้นําเรื่องราวที่ท่านได้จิตใจสงบที่โคลนต้นว่านะนามาปฏิบัติอีกจากนั้นพระองค์ก็กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกในเมื่อพระองค์ไม่คิดถึงอดีตวันหลังๆที่ผ่านมาไม่คิดถึงอนาคต ที่ยังไม่ยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้มรืนนี้พระไทยใจของพระองค์หยูดหยุดที่ปลายจมูกเท่านั้นมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจออกจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจเมื่อพระไทยของพระองค์รวมลงเป็นหนึ่งแล้วพระองค์ละลึกชาติโถนหลังได้ เ, เกิดญาณรัศน์ขึ้นมาใน ช่วงนั้นเกิดฌานนะเออเกิดเป็นฌาน ญ, ญาณรัสนะเกิดฌานพอเกิดญาณศาาัตนะเกิดมาพระ อ, องค์ก็ลำเลิกชาติโหนหลังได้อย่ว่าปุบเพนิว่าสานุสติญานลำเลึกชาติโหนหลังได้นี่แหละหลักของพุทธศาสนาให้ลูกหลานคณาพเจ้าทายาธิโยมฟังเอาไว้ตายแล้วไม่สูญพูดอย่างนั้นได้หลักของพุทธศาสนายืนยันตายแล้วไม่สูญเออตายแล้วมีผีผมพูดง่ายๆมีวิญญาณ ไม่ศูนอ์ไม่ดับไม่สูนยแต่ทำไมเราเรา <c oughs> จึงไม่ค่อยเห็นเพราะมันขึ้นขึ้นของหัวใจนี่ขึ้นวิทยุของหัวใจเนี่ยมันกี่ล้านกี่แสนลื่นนะถ้ามันเจอการหมุนเจอกันเมื่อไหร่ก็จะค่อยเห็นถ้ามันไม่เจอกันก็ไม่เห็นนี่แหละอันนี้คือพระองค์ตอนหัวค่าเนี่ยดูพระองค์ว่าปุเพนิว่าสานานสติญาล้ำลึกชาติผ น, นหลังได้ เออเรามาจากไหนฮะพระองค์มองดูพระองค์เองเรามาจากไหนมานั่งอยู่ตรงนี้ชาติที่แล้วเรามาจากไหนเออเรามาจากสวรรค์ชั้นดุษิีก่อนที่มาจากสวรรค์ชั้นดุษฎีนั้นเรามาจากไหนเออมาจากพระเวทสั้นดรอสก่อนจากพระเวทชั้นดรอสเรามาจากไหนนี่แหละท่านไล่เลี่ยงไปเรื่อยอ ย, ยาวเหยียดเลยวิญญาณแต่ละคนนีกว่าปุเพนิวา รละลึกชาติวนหลังได้พอถึงเที่ยงคืนพอมองดูอดีตชาติตัวเองแล้วมองดูสพรพสัตต์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่างหลวงพ่อเนี่ยมองดูพวกท่านทั้งหลายนี่พวกเราท่านทั้งหลายมาด้วยกันตั้งหกเจ็ดสิบแปดสิบชีวิตเนี่ยที่พวกนางอยู่ที่นี่เกือบร้อยชีวิตเนี่ยแต่ละคนทําไมไม่เหมือนกันทําไมแปลกแตกต่างกัน การเป็นอยู่ไม่เหมือนกันสติปัญญาไม่เหมือนกันความรู้ความฉลาดทรัพย์สมบัติความสุขทุกข์วิชาความรู้ไม่เหมือนกันเงินคําทรัพย์สมบัติไม่เหมือนกันสรุปแล้วคือแตกแตกต่างอ่ะทำไมเป็นมนุษย์เหมือนกันทําไมมันน่าจะเหมือนกันทําไมไม่เหมือนกันพระองค์ก็มองมองดูว่าสาเหตุที่ไม่เหมือนกันนั้นเพราะอะไรมันมาอย่างไรจึงไม่ไม่เหมือนกันพระองค์ก็มองเห็นว่าเพราะว่ากรรมคือการกระทํา การกระทำกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันทาไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันในเมื่อการคิดการทำการพูดไม่เหมือนกันการผลกรรมที่ให้ได้รับนั้นมันส่งผลต่อมาถึงพบชาติต่อไปภายภาคหน้าไม่เหมือนกันเพราะนั้นพระองค์จึงเมื่อได้ตัดรู้ท่านได้ให้โอวาทปฏิโมกพิษุสงเถวา เอ่ออัตังลุกะตั ง, ตงเส้ยโยปัชชาตปฏิดุกะตังกรรมชั่วความชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเมื่อเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วนั้นให้ผลตนเองแลนั่นแหลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นท่านจึงเน้นถึงถึงเรื่องกรรมคือการกระทาของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละดวงวิญญาณกรรมนั่นแลจะเป็นผู้จาแนกให้สรรพสัตว์ดีหรือชั่ว ถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็ให้ผลเป็นทุกข์ถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีให้ผลเราก็จะเป็นสุขคำว่ากรรมกรรมคำนี่นะมันมีสองกรรมดีและกรรมชั่วเพราะฉะนั้นเราอย่าทำกรรมชั่วถ้าทำกรรมชั่วและกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอนี้แหะพระพุทธเจ้าท่านมองดูสัรพสัตว์ทั้งหลายจากนั้นพอจวนสว่างใกล้รุ่งพระองค์ก็ได้ตัดจารุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ท่านมองเห็นว่าเออใจตรงนี้มาจากไหนทําไมจะมาเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่ตบจบที่สิน้นใจตรงนี้มาจากไหนเ ก, นเกิดมาจากไหนใจตรงนี้ท่านก็นึกย้อนย้อนย้อ น, อนไปไปถึงตัวอวิชชาตัวไม่รู้คือตัวโง่เอใจตรงนี้มันเกิดมาจากความโง่ความที่ไม่รู้แต่ว่าอวิชชาปัจจยาสร้างฆาตการ อวิชชาปัจจยาอาวิชชาความโง่เป็นปัจจัยให้เกิด เ, เป็นสังขารอาวิชชาปัจจยาสร้างขาระสร้างขาระปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามะรูปังไร่เรียงมาจนถึงโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุการที่พวกเราทุกโศคร้องให้พิไรรำพันมันมาจากไหนมันมาจากตัวอวิชชา อันนี้ท่านเรียก ว, ว่าปฏิจจสมุปบาทในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละจากนั้นพระองค์ก็รู้จะทำยังไงจึงจะชำระตนได้พระองค์ก็ได้ใช้แต่ประธรรมคือศีลสมาธิปัญญาคือมรรคแปดเข้ามาถลุงหรือเข้ามากันกรองไตรตรองพิจารณาครบทบ ท, บ ท, บทบนวนไข่ครวนใช้แต่ประธรรมคือเผา กิเลสราคาโทสะโมหะออกจากพระไทยของผมจากนั้นพระไทยใจขององค์บริสุทธิ์เ อ, อหมดจดจากกิเลสกิเลสกระเด็นกระดอนออกจากพระไทยของผงพระไทยขององค์มีแต่ความบริสุทธิ์ท่านจึงรู้ได้ว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วในเมื่อเราไม่เกิดเราก็จะไม่ตายอีก แต่ที่เรายังมีธาตุขันอยู่เราจะต้องล้มหายตายจากแต่เมื่อล้มหายตายจากไปแล้วในชาตินี้แล้วเราจะเข้าสู่นิพพานเราจะไม่มาเปลี่ยนไหวตายเกิดอีกต่อไปในเมื่อเราไม่เกิดความตายจะมาจากที่ไหนนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครต้นโพในวันเดือนหกเพนท่านได้ยัดได้ตัดรู้ทำสามอย่าง ในคืนวันนั้นตอนหัวคำ่ำปุบเพนิวาสานุสติยานเที่ยงคืนตุตูปะปาตยานจวนสว่างอาสาวกไยะยานอันนี้พวกเราให้ฟังเอาไว้อันนี้คือพุท ธ, ธะจากนั้นเรามาพูดถึงแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่นี่อันนั้นคือกระจกยอกระจกแผ่นใหญ่แล้วจนี่กระดานดำแผ่นใหญ่ที่ท่านได้เขียนเอาไว้แต่นี้หลวงปู่มั่นก็นำทำคาสอนของหลวงปู่มั่นของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัต ในเมื่อปฏิบัติแล้วท่านก็ได้รับมรับผลจนเป็นที่พอใจของหลวงปู่คููบาอาจารย์ลูกติดลูกหาของหลวงปู่มั่นทั้งหลายยกให้ว่าหลวงปู่มั่นคือพระอรหรันต์ที่ท่านปฏิบัติตามแนวแถวของพุท ธ, ธะเมื่อท่านได้จากไปกระดูกและอัฐิธาตุของท่านก็ได้เป็นพระาธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอีกนี่อันนี้คือกระดูกของพระอรหันต์อันนี้ก็คือ ให้พวกเราศึกษาเอาไว้แต่พวกบางคนก็ไม่เชื่อไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของผู้ที่ไม่เชื่อไม่เป็นไรเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่พวกเราที่เชื่อเนี่ยแต่หลวพ่อเนี่ยเชื่อนะอได้เก็บอธิษฐานของคุณแม่ชีแก้วพอเก็บขึ้นมาแล้วเป็นเป็นพระาธาตุเป็นแก้วขึ้นมาอใครจะเอาแก้วมาใส่ในจุดนั้นเราก็เห็นเป็นแก้วอยู่แล้วตจงเก็บเก็บมาแต่ทําไมอันนี้ก็คือคนที่รู้เห็นในเหตุการณ์ ก็จะรู้ได้แต่คนที่ไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันเพราะความไม่เชื่อนั้นไม่เกิดประโยชน์เหมือนตะบอดไม่เชื่อตาดีอย่างนั้นเออก็ไม่ก็ไม่เห็นว่าอะไรโลกนี่มันโลกหาได้ถ้าเชื่อแลอไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรถ้าคนที่ไม่เชื่อคนนั้นไปตกนรกก็มากคนที่ไม่เชื่ออย่างอื่นคนแนะนำสั่งสอนให้ไปในทางดีคนไม่เชื่อก็มีตัวมากตัมากไม่ใช่ว่าพูดอะไรจะเขาจะเชื่อทั้งหมดไม่ใช่ เพราะนั้นเราไม่ต้องวิตกกังวลในความเชื่อหรือไม่เชื่อของคนแต่ข้อสำคัญให้เราใช้สติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดพิจารณาดูให้ดีจากนั้นเมื่อเราได้ศึกษาแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรอันนี้ก่อนเนี่ยเราก็ฟังแหละแต่ศึกษาละ่ะเราเ็าไม่ได้เกิดในยุคของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้เกิดในยุค ข, ข, ข, ของหลวงปู่มั่นแต่เรายอเกิดในยุค ข, ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อพวกเราก็มามาฟังหลวงพ่ออีกทีหนึง่งหลวงพ่อได้ฟังมาอย่างไรหลวงพ่อก็จะถ่ายทอดทีนี่อถ่ายทอดในความรู้ความรู้สึกได้ศึกษามาได้ประสบประการณ์มาอย่างไรมาถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ฟังเอกงทีนี่จากนั้นหลวงปู่ท่านสอนอยังไงท่านก็พว่าให้ภาวนาพุทโธ น, นะแต่หลวงพ่อจะไม่เอายึดองค์อื่นแต่หลวงพ่อมาศึกษากับองค์หลวงตามหาบวัวเพราะหลวงตามหาบวัวในท่านได้เป็นมหา อ่าในเป็นมหาเรียนทางปริยัติอ่ท่านพูดออกมามีแต่ศัพท์อ่ไม่แพ้องคไหนที่มหาของท่านอ่างค์หลวงตามหาบวัวเพราะฉนั้นหลวงตามหาบัวได้ทั้งปริยัติได้ทั้งปฏิบัติปริยัติท่านก็ได้ท่านได้เรียนรู้มาทางฝ่ายปริยัติคือฝ่ายตำรับําราทั้งฝ่ายปฏิบัติก็ท่านก็ศึกษาในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นท่านได้ศึกษาเพราะนั้น หลวงพ่อว่าหลวงตามหาบัวเนี่ยเป็นแบบฉบับที่ดีสําหรับพวกลูกเราพวกเราอนุชนรุ่นหลังเพราะท่านได้ทั้งปริยัติทั้งได้ทั้งปฏิบัติแต่ครูบาอาจารย์องค์อื่นใช่บางทีท่านได้แต่ปฏิบัติท่านทําให้พ้นทุกแต่ท่านอธิบายเรื่องปริยัตินีท่านอธิบายไม่ได้เพราะเหลายเพราะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วถึงจุดหมายปลายทางเ อ, อพอท่านภาวนานะก็ภาวนาให้พิจารณาอย่างนี้นะพิจารณา อ, อใจของท่านหลุดพ้น หลุดพ้กิเลสบวชหลุดพ้นแหละหมดแหละก็จบแต่ถ้าจะมาเปรียบเทียบกับหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไม่ได้เพราะท่านไม่ได้เรียนอหนังสือท่านก็อ่านไปออกอีกต่างหากอาแล้วก็ตํำรับตาําราท่านก็ไม่ได้สมัยนั้นก็หายากอีกต่างหากเพราะนั่นอย่างหลวงตามหาบวชท่านได้เรียนได้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแตกฉานในอัดในธรรมในแนวทาง เพราะนั้นหลวงตาท่านท่านได้ทั้งสองอย่างคือทั้งปริยัตทั้งปฏิบัติจากนั้นท่านจะมาพูดแล้วก็เปรียบเทียบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังพวกเราก็นั่งฟังเป็นไปได้ที่หลวงตาบอกกล่าวแนะนําหรือนตัวของตาก็ยืนยันในตัวของท่านอีกว่าเราหมดจดจากกิเลสแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกพวกเราก็ได้ยินลูกหลานก็คงได้ยินถ้าได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนขององค์หลวงตา อันนี้แหละคือหลวงตานี่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนแต่หลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรสอนหลวงตาหลวงตาบอกว่าวันแรกที่เราเข้าไปกราบเข้าไปเพื่อจะฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นแต่ท่านเห็นหลวงปู่มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเกิดความเคารพนับถือเริ่อมไสยอย่างสุดซึง้งพอเห็นเข้าไปเอออันนี้แหละเป็นครูบาอาจารย์ของเรา ท่านก็เห็นเลยสุดซึ้งใน ใ, นใจจากนั้นท่านก็ได้ติดตามผลแห่งการ เ, าเดินทางแล้วกาการเป็นอยู่ของหลวงปู่มั่นทราบว่าหลวงปู่มั่น เ, เข้ามาอยู่ทางสกลนครแถบแถบวัดดอยธรรมเจดีบ้านโคกตองโขบนามนแถบนั้นหละหลวงตาก็เดินทางเข้าไปมาถึงหลวงปู่มั่นค่ำพอดีออพอใกล้ค่ำก็เข้าไปกราบคารวะท่าน อท่านก็พูดให้ฟังอย่างชัดเจนว่าเดินตรงปู่มัน่นท่านเดินโยกลมเสร็จหลวงปู่ตาก็เข้าไปแบบไม่มีไฟฉายเนะ่ยเข้าไปเข้าไปเสห็นครูบาอาจารกระลุกกระลั้นเป็นคนตรงปู่มั่นก็ถามใครผมครับผมเป็นใครผมในหัวใช่ไหมถ้าผมเป็นใครผมมาหาบัวครับเออต้องเป็นอย่างนั้นสิต้องบอกที่ว่าข้าเป็นใครนท่านหัวหลวงปู่มั่นเพียง ทักเท่านั้นเองโอ้โหใช่เคาว่าผมผมคํานี้จะไปรู้ได้ยังไงว่าเป็นไผยต้องบอกชื่อตัวเองสิเ <No. S 1> นี่ยหลวงปู่ที่ท่านรอบครอบจริงๆคาอย่างนี้เราหาฟังได้ยากนะนี่แหละใครๆว่าประทับใจในการในการทักทักทักของหลวงปู่มั่นจากนั้นท่านก็ถามว่าพอสนทนาไปท่านก็บอกมาหาท่านที่เรียนมาหามาเนี่ยมากมายจนได้เป็นมหา ทำที่ได้เรียนมานั้น่ะยังไม่เกิดประโยชน์สําหรับท่านนะในขณะนี้ให้ท่านเอาเข้าหีบเก็บไว้ในตู้ในเก็บไว้ไก่อนจัดเขาไปในตู้ก่อนอย่านํามาเปรียบเทียบในการภาวนาของท่านมาขณะนี้ให้ท่านภาวนาพุทธโธนะอให้ท่านภาวนาพุทโธนะาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโธขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลาก้าวเดิน เวลาปัดกวาดเวียงซ้ายขวเวียงซ้ายพุทธเฮเวียงขวาโถเฮเวียงขวาพุทธเฮเวียงซ้ายโถให้บริกรรมใช้บริกรรมนะถ้าหากว่าไม่บริกรรมนมันเผลอมันหลงลืมได้ง่ายต้องบริกรรมอันนี้ก็คือให้พวกเราสังเกตว่าหลวงพระพุทธเจ้าท่านให้กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่หลวงปู่มั่น ท่านสอนครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ของท่านนะท่านบอกว่าถ้าหากว่าเรากําหนดอยู่เฉยๆมันหลุดได้ง่ายมันเลอมันลืมได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายเพราะฉะนั้นให้บริกรรมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทอให้ยึดพดโทเป็นหลักนี่แหละอันนี้คือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นที่ให้ท่านให้หลวงตามหาบัว จากท่านท่านก็บอกอืม้มใช่ก่อนหน้านี้เราภาวนากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าอย่างพุทธานมันหลงมันเผลอได้ง่ายจริงๆเออบางทีมันหลเผลอมันหลงแต่เอาเถอะบัดนี้เราจะยึดแนวแถวที่หลวงปู่มั่นท่านสอนเออจากนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็หลวงตามหาบววชบังคับเลยทีนี่บังคับให้ใจอยู่กับพุทโถหายใจเข้าบริกรรมพุท หายใจออกบริกรรมโทพุทธโทพุทธโทพุทธโทจากนั้นวันถึงวันที่หนึ่งที่สองที่สามโอ้โหเหมือนอกจะแตกทันวันนะไม่มีงานไหนที่จะหนักยิ่งกว่าการภาวนาบังคับจิตใจให้อยู่กับพทุทธโถอยู่กับตัวเองมันอยากจะออกแต่มันอยากจะทะเลถลายมันเหมือนมันเหมือนเคยออกมาแล้วจากนั้นพอได้วันที่สี่บังคับ อยู่นะจิตใจอยู่พออยู่ที่นี้เออรู้สึกเบาเลยเนะี่ยจิตใจมันอยู่กับตัวเองหายใจเข้ารู้หายใจออก ร, รูพุโทโธพุทโธตลอดมาเออจากนั้นจนมั่นใจว่าอันนี้ใจของเราอยู่กับกรรมฐานไม่เสื่อมข่าวนี่ น, ะนี่ยแหละเราก็มั่นใจในช่วงนั้นที่ว่าจะไม่เสื่อมจากนั้นเราก็ภาวนาเรื่อยเรื่อยเือยเ อ, อจนภาวนาเราติดสมาธิถึงห้าปี หลวงตาท่านพูดจังนั้น่ชัดเจนนะเอาติดสมาธิอยู่ห้าปีค่ายๆว่ามันมีความสุขจริงกําหนดป๊อปจิตใจจะรวมทันทีเลยพอกําหนดเท่งนั้นจิตใจจะรวมเลยจะเข้าสมาธิเวลาไหนได้เวลานั้นอที่เราอยากต้องการเข้านนี้คือหลวงตาท่านท่านบอกนะอจากนั้นท่านก็ภาวนาแต่จากนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็ถามอยู่มาหาเป็นไงภาวนาโอ้จิตใจสงบดีครับผมจะนั่งทั้งคืนก็ได้ กําลังภาวนาทั้งคืนไม่ลุกเลยตรอดสว่างเนั่งภาวนาได้ครับผมออถ้ามันจิตสงบขนาดนั้นแล้วก็ต้องออกออกพิจารณานะมันไม่เกิดประโยชน์ออกถ้านั่งสมาธิอย่างเดียวมันต้องมีจิตใจมันต้องพิจารณานํามาพิจารณานะเมื่อเป็นสมาธิ ด, ดีแล้วนํามาพิจารณานะแต่หลวงปู่ท่านก็สอนธรรมดาแต่ท่านบอกว่ามันออกไม่ได้ เพราะเหตุไรเพราะจิตใจเข้าเข้าสู่ความสงบเนี่ยมันมีความสุขเมื่อเรานำมาพิจารณาทางด้านปัญญามันถอนตัวไม่ขึ้นมันไม่อยากจะออกเหมือนกับเราไปอยู่ในใต้ร่มไม้อยู่สบายๆแล้วบังคับให้ไปตากแดดตากฝนไปทางานนะมันไม่อยากจะออกเพราะไปออกมันทุกอจิตใจมันทุกขอมันเมื่อนำนำไปพิจารณาฉะนั้นมันอยากจะเข้าสมาธิอย่างเดียว พอทันที่กับหลวงปู่มั่นก็ถามว่าเป็นไงมาหาเอได้พิจารณาไหมอย่างครับมันไม่ออกกับผมเอมันจิตใจมันไม่ออกมันไม่ยอมออกเอเพราะมันติดอยู่ในอยู่ในสมาธิมันมีความสุขมันไม่อยากจะออกครับผมหลวงปู่มั่นขูเลยทีนี้ขูอย่างตะเพิดอย่างแลงเฮ้มันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงมันต้องพิจารณาสิเอสมาธิมันมีความสุขเหมือนกับ เนื้อติดฟันท่านั่นเองมันไม่ใช่ของติ่จิรังถาวรเออต้องพิจารณานะบังคับให้ออกพิจารณาอะไรพิจารณาที่ท่านหลวงปู่บมันท่านก็รู้แก่ใจว่าท่านสอนมาแล้วเรื่องพิจารณาพิจารณาอะไรเกษาผมโลมาขนนะะักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจคือพิจารณาร่างกาย แยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายร่างกายของเรามีอะไรบ้างอยู่ในเนี้ยมันมีกระดูกอยู่เป็นโครงสร้างแล้วก็มีตับปอดลำไสออ้อย่างพวกเราเป็นหมอเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าเป็นอะไรในตัวของเรานี่อันนี้ก็คือให้พิจารณาร่างกายไม่เพื่อเมื่อพิจารณาร่างกายแล้วให้เห็นร่างกายเนี่ยมันเป็นของอสุภะปฏิกูลมันไไม่ใช่ของเที่ยงแท้แน่นอน อีกสักวันหนึ่งจะต้องล้มหายตายจากมันไม่ใช่ของจริงนะร่างกายเนี่ยแตกเน่านะเปื่อยนะสู่ดินน้ำลมไฟนะร่างกายของเรามีธาตุสีนะดินนะลมน้ำนะลมนับไฟนะประชุมกันอยู่เนี่ย อ, อ, อีกสักวันหนึ่งมันจะต้องแก่ตายในที่สุดมันไม่ใช่ของจิรังถาบอ น, นี่ให้ใจพิจารณาอย่างนี้เมื่อใจผ่านความสงบแล้วนะจิตใจเป็นหนึ่งแล้วมาพิจารณาร่างกาย ในบังคับให้มันพิจารณามันก็เห็นได้ชัดเลยทีนเห็นร่างกายกายกับใจใจกับกายเหมือนกับเราเร่างกายเหมือนกับรถเนี่ยจิตใจเหมือนกับคนขับรถนี่ยในเมื่อเราออกมาจากออกมาจากโชเฟอร์ออกจามาจากคนขับรถเราก็มามารืเ้เครื่องจากเครื่องยนต์เปิดฟ้ากับโปงขึ้นไปอะไรบ้างในรถเนี่ย เ, เราก็รู้ได้แต่ก่อนเราไม่เคยลื้เราไม่เคยดูมันเลย เราก็ชี้ว่ารถของเราออแต่ผลในที่สุดพอลือ้อเข้นมาเอ้ยเอต่อไปเนี่ยมันจะเป็นนั่นอ่ะเอมันจะตกพังในที่สุดนะเอลูกสูบมันจะหลวมสายพานมันจะขาดเราก็มองเห็นได้เลยใช่ทีนี้มองเห็นรถน่ะโซเฟอร์ดูรถนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันในเมื่อเราพิจารณาใจของเราเมื่อจิตเมื่อใจของเราผ่านความสงบแล้ว ให้พิจารณาทางวิปัสสนาเดินปัญญาพิจารณาร่างกายนั่นเท่านั้นแหละทีนี้พอบังคับให้เดินโอ้หลวงปู่ตรงตาท่านบอกว่ามันไม่ยอมเออมันไม่ยอมเข้าสมาธิเลยโอ้เราเป็นอยู่ในสมาธิเสียเวลาตังนมนานทําไมจากนั้นเมื่อเมื่อพิจารณาพิจารณาจนเตลิดเปิดเปล่งทีนี้เออจนเตลิดเปิดเปล่งเข้าสมาธิไม่ได้เออ ท่านก็ไปกราบหลวงปู่มันบอกเนี่ยมันออกแล้วนะกับผมบัดนี้ออกพิจารณาแล้วนอนก็ไม่ได้นอนไม่หลับเลยมันพิจารณาทั้งวันทั้งคืนเลยหลวงปู่มันห้อยไม่ได้ผิดอย่างนั้นนะมันต้องเข้าสมาธินะเข้าสมาธิให้ได้นะในเมื่อเมื่อพิจารณาก็คือเมื่อพิจารณาเมื่อเข้าสมาธิก็คือเข้าสมาธิเราจะพิจารณาอย่างเตลิดเปิดเปล่งอย่างนั้นไม่ได้นะมันเป็นมันบ้าสังขารนะมันหลงสังขารนะสังขารคือความปรุงแต่ง มันไม่ถูกนะต้องบังคับให้เข้าสมาธิให้ได้นี่แหละอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนสิทธิอนุสิตของท่านลูกหลานให้ฟังเอาไว้ถึงจะปฏิบัติไม่ได้ถึงขนาดนั้นต่อให้ฟังเอาไว้จากนั้นหลวงตาท่านบอกไม่ไม่ฟังมันยักออกอยู่หลวงปู่มันแต่เพิดบังคับเลยเอะมันจะเป็นบ้านนั่นนะ่ะมันหลงสังขารนั่นนะ่ะบังคับให้มันอยู่สิจากนั้นหลวงตาก่ ได้ยินหลวงปู่มั่นท่านสอนข่าวก่อนให้พิจารณากับพิจารณาในเมื่อข่าวนี้มันถ้าไม่บอกไม่ฟังท่านอีกมันจะเป็นยังไงต้องบังคับให้จิตใจเข้าสู่ความสงบให้บริกรรมบริกรรมหายใจเข้าพดหายใจออกโทรอย่างเขาจนใจของท่านรวมสงบอีกสรุปแล้วท่านก็มาสรุปให้ฟังเลยว่าการภาวนาปฏิบัติตามแนวแถวสายของหลวงปู่มั่นในเมื่อสมาธิเข้าไปสมาธิ เออเมื่อสมาธิแล้วจิตใจเป็นหนึ่งแล้วนำมาพิจารณาในเมื่อพิจารณาแล้วมันจิตใจมันเมื่อยล้ามันเพลียให้กลับไปพักผ่อนในสมาธิในเมื่อเข้าสมาธิไม่ต้องคิดถึงเรื่องปัญญาไม่ต้องพิจารณาให้มันพักผ่อนในสมาธิในเมื่อพักสมาธิพอสมควรแล้วนำมาพิจารณา ในขณะที่พิจารณาอย่าไปคิดอยากจะให้จิตใจสงบให้พิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อพิจารณาแล้วให้กลับไปหาความสงบเมื่อความสงบพร้วมาพิจารณาทางด้านปัญญาสมัติและวิปัสสนาเป็นของคู่กันเป็นของเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันอาศัยซึ่งกันและกันในสมาธิและวิปัสสนานีอันนี้ก็คือแนวแถวที่โอ่งหลวงตาที่ท่านได้ ศึกษาในหลวงปู่มันจากนั้นใจของเราก็เข้าสู่ความสงบเมื่อเห็นเมื่อเห็นจิตสงบแล้วก็เห็นพิจารณาเมื่อพิจารณาก็เห็นความสงบทั้งสงบและวิวิปัตนาคิดเอาไปนำไปคิดและพักผ่อนเป็นของคู่กันจากนั้นใจของเราเมื่อเราเห็นร่างกายแล้วก็เห็นมองมาเห็นจิตใจของตนเองด้วย มองใจและมองกายมองกายและมองใจใจคือตัวนามวธรรมคือตัวผู้รูๆนะ้ๆเนี่ยคือมองใจแล้วก็มองกายดูกายและดูใจใจของเรามีอะไรบ้างทีนี้เออเรื่องทั้งหลายไม่ิดไม่ใช่อยู่ในกายนะทีนี้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ใช่อยู่ในกายกายนะั้นเป็นของส่วนหนึ่งท่านเองเป็นทางเดินของใจเป็นทางเดินของกิเลสเองตัวของมันจริงๆคือตัวที่จะรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ในใจคือตัวผู้รูนะ้ ตัวรู้รู้เนี่ยบางทีมันก็รู้บางทีมันก็หลงบางทีมันก็ยิบยิบยิบ ย, บ, ย, บ, ย, บ, ยบคิดอดีตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในใจของเราอีกถึงจากนั้นท่านก็มองมาพิจารณาดูจิตใจของของตัวเองเพ่งดูกำหนดดูใจของเราในเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงในใจของเราปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนิพพิทาคือเบื่อหน่าย ใจหลงนี้มันไปให้ความสําคัญในเรื่องต่างๆเรื่องราวต่างๆในเมื่อหลงตัวเองหรือหลงร่างกายพอหลงร่างกายหลงวนอื่นหลงลาบหลงยศสงสนเสริญหลงเอเลือกสวนไร่นาสามีภรรยาลูกเต่าเล้าหลานโลงไปหมดเนลยเพราะอะไรเพราะหลงร่างกายในร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอันนี้จังทุกขังหน้าตาจะแต่แตกตายสลายอยู่แล้วทําไมไปหาหลงคนอื่นเขาอีก เฮ้ยใจนี่แหละจากนั้นไปย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจแล้วก็ปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจในี่แหละให้ลูกหลานทั้งหลายฟังเอาไว้แนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นเรื่องสมถะท่านทำยังไงเรื่องวิปัสสนาท่านทำอย่างไรแนวแถวของพุทธะที่หลวงพ่อได้ยกเป็นกระจกเงาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเป็นมาอย่างไรที่หลวงพ่อพูดให้ฟังท้งนี้ท้งนั้นพวกลูกหลาน ฟังแล้วนะอย่าไปเชื่อที่เดียวะให้ฟังเอาไว้แล้วค่อยไปศึกษาดูจริงไหมที่หลวงพ่อชี้ประเด็นให้ฟังเอขนาดภาษาลิบุตรเอฟังธรรมมัทธิ์นาของพระพุทธเจ้าอบอกว่าดูก่อนสารีลบุตรท่านได้ฟังลําทักได้ฟังธรรมคาสอนของเรานี่ท่านเชื่อไหมที่เราพูดให้ฟังเนี่ยภาษาริบุตรยังหวะยังก่อนพระเจ้าคะ่ะ พรข้าพระ อ, องค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระ อ, องค์นําไปปฏิบัติแล้วข้าพระ อ, องค์จะมากราบทูลพระพุทธองค์เมื่อภายหลังพระเจ้าข่านเนี่แหละขนาดอัครสาวกของพระพุทธเจ้ายังให้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบในเมื่อได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาณโยมลูกหลานทั้งหลายผู้ใฝ่ในการศึกษาภฝยในการเรียนรู้ทจงพ่อให้แนวความคิดมากหลากหลาย สําหรับพวกลูกหลานแล้วก็ให้ลูกหลานนําไปคิดนําไปพิจารณาการกลองไต่ ต, ตองด้วยเหตุและผลลูกหลานก็จะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดแนวความคิดความรู้ขึ้นมาทางด้านจิตใจ จ, จิตใจของเราจะไม่ไปสุดตรงข้างใดข้างหนึ่งจะไม่ลุ่มหลงพูดง่ายๆรู้จักแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อมั่นใจที่หลวงพ่อแนะนําให้กับลูกหลานได้ฟังนี้ แนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเรานะการกล่าวสโมโภชนิยกถฐาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอุติในการกล่าวไว้เพียงเท่านี้ด้วยอํานาจคุณพะัะศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอํานาจพ่อแม่ครูบาอาจารย์องหลวงปู่มั่นหลวงปูเ่เสาหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์